จเจริญพรถูกทุกท่านเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เป็นข้าราชการเหมือนกันอยู่ทำเนียบนี่เองใกล้ๆกันอยู่สภาความมั่นคงเวลาทํางานโคกับกระทรวงเกษตรบ่อยเหมือนกันโดนะยเฉพาะสปกรติดต่อกันบ่อยแต่รุ่นที่ทํางานด้วยกันกเกษียณไปหมดลนะพวกเราผมไม่ไม่เคยเห็นสมัยหลวงพ่อทํางานแถวนี้หรอก ได้ยินว่าพวกเราฟังทำกันทุกเดือนนะเป็นเรื่องดีทุกวันนี้คนไม่รู้จักธรรมะนึกว่าธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวอะไรก็ไม่รู้นะึกว่าเป็นพิธีกรรมอะไรสักอย่างสองอย่างนะทางั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วธรรมะเป็นเรื่องของตัวเราเองเรื่องเรื่องในตัวเราเองนี่แหละเป็นการเรียนศึกษานะเพื่อให้เราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นของอัศจรรยนะ์เดี๋ยวหลวงพ่อบอกนิดนึงตอนหลวงพ่อเทศนะพวกเรางดถ่ายรูปก่อนนะถ่ายรูปการฟังธรรมที่ดีมีคุณภาพเนี่ยต้องใช้สมาธิในการฟังนะก็งดชั่วคราวก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายทีหลังใครเปิดโทรศัพท์มือถือก็ปิดเสียงซะนะเดี๋ยวจะว่าหลวงพ่อเรื่องมาก ธรรมะภาคปฏิบัตินะไม่ใช่การเรียนภาคทฤษฎีไม่ใช่ภาคปริยัตผู้ฟังต้องมีความพร้อมถ้าใจของคนฟังมีสมาธิพอนะธรรมะจะราบรื่นแต่ถ้าใจของคนฟังวอกแวกวอกแวกธรรมะก็สะดุดนะธรรมะไม่มีนะธรรมะนั้นถ่ายทอดจากจิตไปสู่จิตนะจิตถ้ามีความสงบนะมีความประณีตมากพอก็จะรับธรรมะที่สงบที่ประณีตได้ สมัยพุทธากาลขนาดบางท่านบารมีเต็มนะสร้างบารมีมาทั้งหนึ่งอสงไขยแสนมาหากับอย่างพาหยะท่านพาหยะเหนื่อยๆมาแล้วตามไปหาพระพุทธเจ้าถึงในตลาดท่านไปมินทบาทอยากฟังเทศเนาะตามไปใจเล่าร้อนพระพุทธเจ้ายังไม่เทศให้ฟังนะขอร้องให้ท่านเทศให้ฟังครั้งที่1ท่านก็เงียบๆบอกยังไม่ใช่เวลาครั้งที่สองก็ไม่ใช่ครั้งที่3เนี่ยใจสงบพอสมควรแล้ว ท่านถึงแสดงทำให้ฟังธรรมะที่ท่านแสดงไม่กี่ประโยคหรอกท่านพาหิยาบรรลุพระอรหันตะ์เป็นพระอรหันต์ชั้นเลิศเลยนะแล้วได้เป็นเอตทธัคคะทางบรรลุเร็วด้วยเนี่ยท่านทําได้เพราะใจของท่านมีคุณภาพพอนะงั้นพวกเราเวลาฟังธรรมเนี่ยอยู่ที่คุณภาพทางใจของเราเนี่ยการฟังธรรมหรือการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการพัฒนาคุณภาพของจิตใจของเราขึ้นไป จิตใจของคนเนี่ยโดยธรรมชาตินีพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วโดยธรรมชาติไหลลงที่ต่ำํำถ้าเราไม่สนใจไม่ดูแลรักษาใจเราจะไหลลงที่ต่ําเป็นลําดับลําดับไปใจไหลไปด้วยความเคยชินเคยชินที่จะโลภมันก็จะโลภ บ, บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเคยชินที่จะโกรธมันก็โกรธบ่อยขึ้นเคยชินที่จะฟุ้งซ่านมันก็ฟุ้งซ่านมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งแก่ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆไม่ใช่ยิ่งแก่ยิ่งดีหรอก ต้องมาฝึกฝนจิตใจของเรานะถ้าฝึกฝนให้ดีพอเนี่ยจิตใจมันคุ้นเคยกับธรรมะฝ่ายดีมีศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นจิตใจก็ห่างไกลความทุกข์ออกไปนะได้รับพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆเนั้นสิ่งที่เราจะมาเรียนนะจากการฟังธรรมเนี่ยก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ตื้นหรอกนะอย่าไป น, นึกว่า พระพุทธศาสนามีแต่เรื่องการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าคนนักปราชญ์ทั้งหลายเขาก็สอนให้ทำทานเขาก็สอนให้รักษาศีลสอนสมาธิเขาก็สอนกันฝึกให้ได้รับความสุขความสงบของจิตใจขนาดเจ้าชายสิทธ า, ทาออกจากวางังงานแรกที่ท่านนึกถึงก็คือไปนั่งสมาธิมันก็เหมือนพวกเราส่วนใหญ่ละ คิดถึงการปฏิบัติธรรมนะสิ่งแรกที่คิดถึงคือนั่งสมาธิทั้งๆ ท, ที่การนั่งสมาธิเราไม่รู้เลยว่าสมาธิมีหลายแบบชจ้าชายศรีทาัทาถ้าไปนั่งสมาธินะไปเรียนจากอาราราดาบทพระกระดาบทเรียนไม่กี่วันก็จบหลักสูตรนะเข้าฌานได้ถึงฌานที่8แล้วท่านก็พบว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยเวลานั่งสมาธิจิตใจมีความสุขมีความสงบจริงออกจากสมาธิใจก็มีกิเลสเหมือนเดิมความทุกข์ก็กลับมาเหมือนเดิม งันท่านรู้ว่าไม่ใช่ทางหรอกงั้นแล้วพวกเราอย่าไปหยุดตัวเองเราคิดว่าพวกเราเป็นชาวพุทธนะอิ่มเอิมใจปลื้มเปรมใจภูมิอกภูมิใจว่าเป็นชาวพุทธเพราะว่าถึงปีเราก็ไปทอดกรถิ่นเนี่ยทำทานสมาทานศีลก็เก่งนะนั่งสมาธิก็นั่งได้หลายชั่วโมงอาจจะยังไม่ได้เป็นชาวพุทธเลยก็ได้การทําทานรักษาศีลทําสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสิ่งที่เป็น คำสอนของพระพุทธเจ้านะคือการเจริญปัญญานะท่านอาศัยการทำฐานรักษาศีลการทำสมาธิซึ่งนักปราชญ์โบราณเขาค้นคว้าเอาไว้มาเป็นฐานเท่านั้นเองต่อยอดไปสู่การเจริญปัญญาจุดที่พวกเรามักจะคลาดเคลื่อนมากๆเลยนะเรามักจะคิดว่านั่งสมาธิมากๆแล้วจะเกิดปัญญา นั่งสมาธิไม่ได้ทําให้เกิดปัญญานะวิธีเจริญปัญญาคือการทำํำวิปัสสนากรรมฐานเป็นอีกแบบหนึ่งคนละอย่างกันแล้วสมาธิที่จะใช้ทําความสงบนะที่ส่วนใหญ่ที่พวกเราศึกษาปฏิบัติกันเนะช่นหายใจเข้าหายใจออกนะดูท้องฟองท้องยุบพุโทโธอะไรต่อไรสัมมาระหังอะไรต่อไรมันเป็นสมาธิชนิดที่1คือสมาธิที่จิตเนี่ยไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องสมาธิอย่างนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้านะ อย่างนั่งหายใจไปนะจิตอยู่ที่ลมหายใจจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจจิตไม่หนีไปไหนเลยลมหายใจจะค่อยตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะลมมันจะสั้นขึ้นเรื่อยๆจะมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกกลายเป็นแสงสว่างจากแสงสว่างเนี่ยลมหายใจไม่มีละกลายเป็นแสงนะจิตก็ไปอยู่ที่แสงเองนะเกิดปีติเกิดสุขเนะข้าฌานนะอาศัยดวงนิมิตปฏิภาคนิมิตนะเป็นอารมณ์แทนลมหายใจ นี่กรรมาฐานอย่างนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าซีอีกนะแล้วไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาแล้วสมาธิมี2ชนิดพวกเราถ้าไม่เรียนนะเราล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเลยในการที่เราจะปฏิบัติทำเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อความพ้นทุกเพื่อจะพัฒนาจิตใจให้ไกลความทุกข์ออกเป็นลำดับลําดับเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมของจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องซะก่อนสมาธิมี2ชนิดชนิดที่1 น, นะเรียกว่าอารม์มโูปนิชฌานจิตไปเพ่งอารมณ์อันเดียว จิตสงบอยู่ในอรมณ์เดียวอันนี้เป็นสมาธิที่เอาไว้ทําสมถตาไว้พักผ่อนเฉยๆสมาธิชนิดที่2เนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตสมาธิอย่างนี้อาภัพที่สุดนะเป็นสมาธิที่วิเศษที่สุดชื่อลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิในพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีใครสอนสมาธิอย่างนี้ได้เลยมันมีแต่สมาธิที่ว่าไปรู้ลมหายใจจิตก็สงบอยู่ที่ลมหายใจ ไปดูท้องพองยุบจิตไปสงบอยู่ที่ท้องไปเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าจิตมี้แต่จิตมันเคลื่อนไปนิ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอดเวลาไปพุโทโธพุโทโธนะจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่พุโทโธเราไปนิ่งอยู่ที่พุโทโธเนี่ยสมาธิที่จิตไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยเรียกว่าอารา ม, มันูปนิชฌานใช้ทําสมถกรรมฐานเท่านั้นนะอีกอันนึงก็คือใช้ไว้สําหรับทํางานทางโลกอย่างเวลาเราจะทํางานทางโลกนะ เราก็ต้องใช้สมาธิที่จิตเจาะจิตมันไปจดจ่ออยู่กับงานเรียกว่าอารมณูปนิชฌานสมาธิที่จะใช้ทำมิปัสสนากรมมัฏฐานชื่อลักขณูปนิชฌานพวกนี้ไม่ค่อยมีใครสอนกันนะสมาธิอย่างนี้เราต้องฝึกต้องรู้ก่อนว่าไม่เหมือนกันสมาธิอันที่หนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องสมาธิที่สองจิตตั้งมั่นจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์นะมีร้อยอารมณ์พันอารมณ์หมืน่นอารมณ์แสนอารมณ์ก็ได้ อารมณ์นั้นจะเคลื่อนไหวสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้รูปเสียงกลิ่นรสโพชนะแล้วก็เรื่องราวที่คิดทางใจทั้งหมดนี้เรียกว่าอารมณ์ทั้งหมดเลยเป็นอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นใจใจเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงที่แต่จิตที่เป็นคนดูอารมณ์เนี่ยตั้งมั่นอยู่เป็นแค่คนดูไม่อินนะไม่อินเข้าไปในอารมณ์เป็นจิตใจที่รู้เนือ้อรู้ตัวจิตใจอ ย, อยู่กับเนือ้อกับตัว จิตใจชนิดนี้หายากที่สุดเลยนะเมื่อสัก30ปีก่อนหลวงพ่อเข้าหาครูบาอาจารย์จริงภาวนาหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เจ7ขวบ7ขวบถึงอายุ29ปีเนี่ยทำแต่สมถะทำแต่ความสงบให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่กับลมหายใจนี่แหละฝึกอานาปนาสตินะงั้นจะทำจิตให้สงบไม่ใช่เรื่องยากเลยนะหายใจนิดเดียวก็สงบแล้วนะแต่ว่าไม่สามารถเดินปัญญาได้ เมื่อมันเดินปัญญาไม่ได้นะมรรคผลไม่เกิดนะถ้าพวกเราอยากได้มรรคได้ผลเราต้องเรียนสิ่งที่หลวงพ่อบอกนี่ให้แจมแจ้งนะไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยฝึกจิตตั้งมั่นมาแล้วนะจิตเป็นคนดูได้แล้วนะท่านก็สอนต่อยอดสอนเจริญปัญญาให้นะหลวงปู่ดุลสอนให้หลวงปู่ดุลย์เป็นครูบาอาจารย์ที่อศัศจรรย์ที่สุดเลยท่านสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันลูกศิษย์ดูกายก็มีนะลูกศิษย์ดูจิตก็มี รู้สึก ด, ดูกายเนี่ยเยอะเลยรู้สึก ด, ดูจิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกคนเมืองอย่างพวกเราเนี่ยคนในเมืองคนในเมืองให้ไปดูกายนะมันจืดชืดเบื่อไม่มีอะไรให้ดูเท่าไหรนะ่แต่จิตใจเนะี่ยมันกลับกรอกยอกย้อนเนี่ยถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยนะเราก็มาดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้แล้วแต่ความสะดวกหลักของการทําสมถะนะใช้บอกว่าให้น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวอย่างต่อเนื่อง เช่นอยู่กับพุโทโธอยู่ลมหายใจแต่หลักของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตของเราไม่เป็นกลางจิตของเราอินตลอดนะไปดูรูปก็อินไปกับรูปไปฟังเสียงก็อินไปกับเรื่องราวที่ฟังนะไปดมกลิ่นไปลิ้มรสนะจิตมีแต่ไหลออกไปหาอารมณ์ไปคลุกอยู่กับอารมณ์ไม่รู้เนะื้อรู้ตัวจิตลืมตัวเอง ช่วงก่อนสัก30ปีไปแล้วตะเวนไปหาครูบาอาจารย์เรียนจากหลวงปู่ดุลเข้าใจแล้วท่านรับรองว่าเข้าใจละก็ออกไปหาครูบาอาจารย์อื่นๆหาประสบการณ์เพิ่มเติมไปที่ไหนที่ไหนนะครูบาอาจารย์ท่านสอนแต่คำว่าจิตผู้รู้ฝึกต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ให้ได้ก่อนถ้าเราไม่มีจิตเป็นผู้รู้นะเราก็มีแต่จิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเอาไว้ทํำพิปัสนาไม่ได้ต้องจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ต้องมาฝึกให้ได้จิตตัวนี้ก่อนเข้าไปวัดไหนวัดไหนนะครูบาอาจารย์พูดกับเขวาว่าผู้รู้ผู้รู้หนะลวงปู่สิมนะเจอหลวงพ่อนะท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้กลายเป็นฉายานะผู้รู้ผู้รู้เวลาเจอหน้าเรียกผู้รู้ผู้รู้หลวงพ่อพุทธเจอหลวงพ่อเ ร, เรียกนักปฏิบัตินักปฏิบัติอย่างนั้นนักปฏิบัติทําอย่างนี้นักปฏิบัติไม่เอาอย่างนีนะ้เราต้องมีใจให้เป็นผู้รู้ให้ได้นะใจของเราปกติหลงตลอดเวลา ถ้าใจของเราหลงตลอดเวลาถึงยิ่ไปนั่งสมาธิให้สงบมันก็ได้แต่ความสุขความสงบชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวว่กลับมาฟุ้งใหม่วิธีฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมสําหรับการเจริญปัญญานะมีวิธีการอยู่ง่ายที่สุดเลยนะถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นถ้าเข้าฌานเป็นก็มีวิธีฝึกอีกแบบหนึ่งถ้าสําหรับคนที่เข้าฌานไม่ได้อย่างพวกเราส่วนใหญ่ดูหน้าดูตาแล้วเข้าฌานยากฟุ้งซ่านเก่งแต่และคนนะหน้าตาฟุ้งซ่านมากๆเลยนะคนที่ ใ จ, ใจิตใจมีกําลังมากๆจะเข้าฌานอะไรนี่คงหายากในยุคยุคนี้นะมีน้อยมากเลยคนที่ฟุ้งมากเนี่ยวิธีที่จะมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้เนี่ยที่ง่ายที่สุดนะคือรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดธรรมชาติของจิตเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเนี่ยคิดตลอดกระทั่งหลับแล้วก็คิดนะเรียกว่าฝันใครนอนแล้วไม่ฝันบ้างมีไหมมีมีด้วยเนอะฝันแต่ไม่รู้นะ คำว่าฝันก็คือการที่จิตมันคิดในขณะที่ร่างกายหลับความคิดของเราในขณะนี้มันก็คือความฝันในขณะที่ร่างกายตื่นลักษณะจิตที่คิดกลลักษณะจิตที่ฝันเนี่ยขึ้นวิธีจิตแบบเดียวกันเลยนะลักษณะเดียวกันจิตของเราเนี่ยคิดทั้งวันจิตของเราคิดทั้งคืนคิดกลางคืนตอนหลับเรียก ว, ว่าฝันนะมันเคลื่อนออกไปทางา น, นเคลื่อนออกไปปรุงแต่งตลอดเวลา ถ้าเราต้องการให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะตรงข้ามกับผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้รู้กับผู้คิดนะคนละอันกันกลับข้างกันมันก็จิตด้วยกันแหละแต่ว่าจิตอันหนึ่งนะคิดนึกปรุงแต่งจิตอันหนึ่งรู้ตื่นเบิกบานเรามาฝึกจิตให้มันรู้ตัวขึ้นมานะให้มันมีความรู้เนื้อรู้ตัววิธีการนะเคยทากรรมฐานอะไรก็ทากรรมฐานอย่างนั้นนะไม่ห้ามกรรมฐานอะไรก็ได้ ชอบพุโทโธก็พุโทโธไปแต่ไม่ใช่พุโทโธแล้วก็น้อมจิตให้นิ่งอยู่ที่พุโทโธถ้าพุโทโธแล้วน้อมจิตให้ไปอยู่ที่พุโทโธนะจะได้สมาธิอย่างที่หนึ่งได้สมาธิที่เพ่งอารมณ์อะไรเป็นอารมณ์พุโทโธเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าเราก็มาพุโทโธนะแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันเนี่ยถ้าเรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นเพราะจิตรู้กับจิตคิดน่งกลับข้างกัน เหมือนเหรียญอันเดียวกันนะมีด้านหัวด้านก้อยถ้าไม่เป็นหัวมันก็เป็นก้อยมันก็มีอยู่แค่นั้นเองถ้ามันไม่เป็นผู้คิดผู้เลิกผู้ปรุงผู้แต่งมันก็ต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมันง่ายๆแค่นี้เองนะหรือถ้าเราถนัดรู้ลมหายใจเราก็หายใจแต่เราไม่ได้หายใจเราก็น้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่ที่ลมหายใจถ้าหายใจแล้วน้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่ที่ลมหายใจเราจะได้สมาธิอย่างที่หนึ่งสมาธิที่เพ่งอารมณ์หรืออารามณูปนิชาน แล้วมาหายใจใหม่หายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตเคลื่อนที่ไปนะเคลื่อนไปหาลมหายใจเราก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดเราก็รู้ทันเรียกว่ามันไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งลมหายใจก็รู้ถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่เคลื่อนไปนะจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้บาบานจะเกิดขึ้นเองโดยอัตนโนมัตินะหลวงปู่ดูลเรียกจิตที่เคลื่อนไปเรียกว่าจิตส่งออกนอกนะถ้าจิตส่งออกนอกเมื่อไหร่ก็ไปปรุงสร้างพบสร้างชาติสร้างทุกข์ไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเมื่อไร่ y, เรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่ส่งออกนอกจิตที่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ทางตาหู Acting ury, จมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะเคลื INS ่อนไปคิดนี่เกิดมากที่สุดถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดนะจิตรู้จะเกิดเพราะฉั้นถ้าคนไหนถนัดพุทโธก็พุทโธไปแล้วก็รู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดก็รู <|mg|>. ้ทันจิตไปเพ่งพุทโธเพ่งจิตให้นิ่งๆก็รู้ทันคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปจิตนี้ไปคิดแล้วก็รู้ทันนะจิตไปเพ่งลมหายใจเราก็รู้ทัน ไม่งั้นก็ไปนั่งเพลงล่งลมหายใจกันทั้งหมดเลยนะไม่มีจิตผู้รู้หรอกคนไหนถนัดดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปไม่เสียหายอะไรดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิด ร, รู้ทันนะจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปเพ่งที่ท้องก็รู้ทันเดินจงกรมนะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่ร่างกายไปเพ่งอยู่ที่เท้ารู้ทันตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นจิตจะหยุดการเคลื่อนโดยอัตโนมัติเพราะจิตที่เคลื่อนนั่นคือจิตที่ฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิด ความฟุ้งซ่านจะดับโดยอัตโนมัตินะจิตจะมีความสงบเกิดขึ้นนะแต่ว่าไม่ใช่สงบ อ, อยู่ที่ตัวอารมณ์มันสงบ อ, อยู่ที่จิตนะจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันนะเป็นของคู่กันที่ใดมีจิตที่นั้นมีอารมณ์ที่ใดมีอารมณ์ที่นั้นมีจิตถ้าเมื่อไหร่จิตของเราเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์มันเดียวได้สมาธิชนิดที่1ถ้าเมื่อไร่จิตไม่เคลื่อนจิตตั้งมั่นรู้เนือ้อรู้ตัวอยู่กับจิต ได้สมาธิชนิดที่2 ส, สมาธิอย่างที่2เรียกว่าลักขณูปนิชฌานใช้ทํำวิปัสนากรรมฐานในขณะที่เกิดอริยามรรคเกิดอริยผลก็เป็นสมาธิอย่างที่สองไม่ใช่สมาธิอย่างที่1นนะึเนี่ยสมาธิอย่างนี้นะเป็นสมาธิที่วิเศษมากเลยแต่อาภัพไม่ค่อยมีใครรู้จักหรอกตอนเจ้าชายสิทธาอา ย, อยุ3ขวบนะมีงานแรกนาควันพี่เลี้ยงของท่านนะไปดูเจ้าสุดโททนะไถนาทิ้งท่านไว้ใต้ต้นวาท่านอยู่องค์เดียวนะท่านก็ลุกขึ้นมาหายใจ หายใจด้วยความรู้สึกตัวนะท่านทําสมาธิอย่างที่2บารมีท่านมากนะท่านทําได้โดยที่ไม่ได้มีใครสอนท่านจิตของท่านตั้งมั่นขึ้นมาเสร็จแล้วท่านลืมไปออกไปบวชนะจนกระทั่งไปฝึกสมาธิแบบฤาษีสมาธิอย่างที่1ก็พบว่าไม่ใช่ทางนะแล้วก็ไปทรมานร่างกายอยู่อีกหปีแล้วก็พบว่าไม่ใช่ทางาในที่สุดท่านก็กลับมาคิดถึงของเดิมที่ท่านเคยทําก็คือการทําจิตให้เป็น สมาธิชนิดที่2คือตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านหายใจด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่หายใจแล้วให้จิตสงบอยู่ที่ลมหายใจแต่หายใจแล้วรู้สึกตัวจิตนี้ไปคิดเรารู้จิตไหลไปเพ่งเรารู้พอจิตของท่านตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วเนี่ยท่านถึงจะมาเจริญปัญญานะท่านก็มาดูว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงความทุกข์มันอยู่ที่ไหนความทุกข์มันอยู่ที่เรามีกายมีใจขึ้นมานเองนะไม่กาย ความทุกข์ก็อยู่ที่ร่างกายความทุกข์ก็อยู่ที่ใจเนี่ยท่านาค่อยๆสังเกตไปนะจนกระทั่งลงไปถึงอวิชชาอวิชชาเนี่ยเป็นความรู้แจ้ ง, งท่านนะว่าตัวกายตัวใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์ตัวกายตัวใจเป็นตัวทุกข์พอท่านเห็นความจริงอย่างนี้แล้วนะีท่านสลัดคืนกายคืนใจให้โลกหมดความยึดถือในใกายในใจบรรลุพระอรหันต์นะเรียกว่ารู้แจ้งอริยสัจอริยสัจเป็นธรรมะที่สําคัญที่สุดนะถ้าตราบใดที่พวกเราไม่รู้แจ้งอริยสัจ เราไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงหรอกแล้วถ้าตรรกะใดที่เรายัางไม่รู้แจ้งอริยสัจเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักสิ้นสุดด้วยอริยสัจนะพูดว่าใครๆก็บอกว่ารู้จริงๆไม่รู้หรอกอย่างอันแรกเรื่องทุกข์บอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เคยได้ยินไหมความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์แต่พอเราได้ยินอย่างนี้เราก็คิดถึงอะไรคิดว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายกับคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายคนละอันกันนะธรรมะแท้ๆไม่มีคนหรอกมีแต่สภาวธรรมสภาวะที่มันแก่มันเจ็บมันตายอะไรมันแก่มันเจ็บมันตายรูปธรรมมันแก่มันเจ็บมันตายอะไรพลาดพลาดจากสิ่งที่รักจิตใจมันพลาดพลาดจากสิ่งที่รักอะไรประสบกับสิ่งที่ไม่รักจิตใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักอะไรอยากแล้วไม่สมอยากแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาก็จิตใจมันอยากนะหมายความทุกขอยู่ที่ตัวกายตัวใจนี่แหละ เนี่ยเวลาเราฟังธรรมะนะท่านบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เราก็ไปคิดว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์เราไม่ได้เห็นว่าร่างกายมันเกิดร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายเราเพียงเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาะนี่เป็นความเห็นผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐินะงั้นพวกเราทุกคนยังเป็นมิจฉาทิฏฐินะจนกว่าจะเป็นพระโสดาบันถึงจะมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องนะ พวกเรารู้สึกไหมว่าร่างกายเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหมร่างกายเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหมอ๋อจิตใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหมนี่แหละรียกว่าไม่รู้จักอริยสัจถ์ถ้าเรารู้จริงนะรู้แจ้งอริยสัจเราจะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆท่านถึงบอกว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขานโดยสรุป ขันทั us, feet, ้ง5เป็นตัวทุกข์ท่าไม่ได้บอกนะว่าเป็นตัวทุกข์บ้างสุขบ้างในขณะนี้พวกเราก็เห็นนะร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่ได้เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์มากกับร่างกายเป็นทุกข์น้อยเราเห็นพอทุกข์น้อยเราก็ว่ามันสุขนะงั้นเราไม่ได้รู้อริยสัจกระทั่งรู้ทุกข์ยังไม่รู้เลยจิตใจเนี่ยเราก็รู้สึกว่าจิตใจของเราเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเราไม่รู้ว่าจิตใจมีแต่ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยตอนที่ทุกข์น้อยเนี่ยคนซ ก็คิดว่าเป็นความสุขตอนที่ทุกข์มากขึ้นนะคนทั่วๆไปก็รู้สึกว่ามันทุกข์มันก็เลยมีว่าร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเมื่อมันเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเนี่ยการปล่อยวางจะมีไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะมันยังมีทางเลือกที่จะหาความสุขในกายมีทางเลือกที่จะหาความสุขในจิตใจถ้าเมื่อไหร่นะปัญญาของเราแก่รอบเราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเราเห็นความจริงว่าจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วน เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงถึงจะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นก็จะรู้ว่าหลุดแล้วนะจิตจะเป็นอิสระจิตกับขันเนี่ยจะแยกออกจากกันเด็ดขาดไม่รวมกันอีกล้จิตอยู่ส่วนจิตขันอยู่ส่วนขันต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะจิตจะเป็นอิสระจากขันในขณะที่ทุกวันเนี่ยจิตของเราเกาะอยู่ในกายเกาะอยู่ในใจเกาะอยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์เกาะอยู่ในกุศลเกาะอยู่ในอกุศลตลอดเวลา งั้นพวกเราที่ว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธนะฟังธรรมะมาปีนี้ครั้งที่11แล้วนะย่างเห็นกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเห็นจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเนี่ยยังไม่ได้รู้จักธรรมะจริงเลยนะต้องรู้ทุกข์นะถ้าไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกนะอะไรเป็นทุกข์นะสังขิตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยสรุปขันห้าขันห้าก็คือรูปนามกายใจของเรานี้แหละเราเห็นไหมว่าเป็นทุกข์ เรายังไม่เห็นเราก็ต้องมีวิธีเห็นพระพุทธเจ้าสอนวิธีการไว้ให้เราวิธีการที่เราจะเห็นทุกนะก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองเราต้องฝึกจิตของเราให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาลก่อนจิตของเรานะจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆได้นะขั้นแรกสุดต้องไม่ลืมกายลืมใจถ้ามันลืมกายลืมใจเสจแล้วมันจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้ งั้นเราจะต้องมาฝึกจิตใจนะให้รู้เนื้อรู้ตัวให้ได้ก่อนเรียกว่าจิตมีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องคือจิตเน้อรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่จิตเผลอๆเพลินๆนะไปสงบอยู่ในอารมณ์นิ่งๆไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวอะไรหลงหลงอยู่ในความสุขของสมาธินะติดสมาธิอะไรนะใช้ไม่ได้เลยหลวงพ่อเสียเวลากับสมาธิ22ปีนะกล้าพูดเต็มปากเตนะ็มคําในเรื่องสมาธิทำมาเยอะเลยนะเรารู้เลยว่า สมาธิอย่างไหนเป็นทางสมาธิอย่างไหนที่ไม่ใช่ทางต้องฝึกสมาธิชนิดที่เป็นทางนะก็คือรู้ทันจิตที่ไหลไปถ้ารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตของเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาจิตของเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนัก็คือจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจของเราลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันนึกออกไหมพอตื่นนอนขึ้นมาก็นึกแล้ววันนี้วันอะไรวันจันทร์ วันจันทร์ใจแห้งแล้งเลยนะก็นึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์ใจสดชื่นรู้สึกไหมแต่ละวันใจไม่เหมือนกันอ่ะตื่นนอนขึ้นมานึกได้ว่าวันจันทร์ใจแห้งก็ไม่รู้ว่าใจเหี่ยวแห้งนะก็เฉาอยู่งั้นอ่ะขี้เกียจเจอหน้าผู้วังมิชานะแตวันศุกร์นะก็ดีกระดานะมีความสุขก็ไม่เห็นอีกนะว่าใจถูกความสุขครอบงําอยู่เวลามีความทุกวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพุธสุดเซ็งทําไมหลวงพ่อจะไม่รู้เราเป็นข้าราชการมาตั้งนาน นะวันพุธเนี่ยสุดจะขี้เกียจเลยเขาเลยชอบจัดให้ฟังเทศซะจะได้มีกิจกรรมถ้าทหารนะเขจะออกกําลังเป็นวันเล่นกีฬาใช่ไหมเพราะอะไรข้าราชการนะวันพุธเนี่ยสุดขี้เกียจเลยเบื่อทวันพฤหัสมีความสุขใช่ไหมแล้วมีความสุขแล้ววันศุกร์มีความกระดีกระดาไม่ใช่แค่สุขนะสดชื่นรื่นเริงเลยเนี่ยคนทั่วไปนะจิตใจของตัวเองเป็นยังไงตื่นนอนมาก็ไม่รู้ร่างกาย นอนมาเป็นยังไงยังไม่รู้เลยไม่รู้สึกในร่างกายของเราพอตื่นได้ก็คิดนอนคิดนี่เรื่อยไปนะคิดว่าวันนี้วันอะไรนะวันนี้จะต้องทําอะไรอะไรนะคิดไปใจสุขก็ไม่รู้ใจทุกข์ก็ไม่รู้ใจดีก็ไม่รู้ใจชั่วก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรที่เกี่ยวกับกายกับใจของตัวเองงั้นเรามาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะต่อไปนี้ตื่นนอนขึ้นมาพอใจมันนึกได้ว่าโอ้วันนี้วันจันทร์ ใจแห้งแง้งนะไม่มีความสุขความจริงไม่มีความสุขมาตั้งแต่อาทิตย์บ่ายๆแล้วนะใครเป็นบ้างสารภาพสิไม่เป็นนะโอ uh, ้ข้าราชการที่ตบมือให้เลยไม่จริงหรอกไม่ค่อยเชื่อหรอกนะหัดรู้ทันนะหัดรู้ทันให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวคอยดูคอยมีความรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจของเราบ่อยๆตื่นนอนมาร่างกายอยู่ในท่าไหนคอยรู้สึก นะตื่นนอนแล้วร่างกายบิดขี้เกียจก็รู้ทันเห็นร่างกายเป็นบิดขี้เกียจใจของเราเป็นคนดูนะแล้วก็ลุกขึ้นมาร่างกายมันลุกขึ้นมาใจเราเป็นคนดูร่างกายมันเดินไปห้องน้ําใจเป็นคนดูมันไปนั่งโถส้วมใจเป็นคนดูมันไปอาบน้ําใจเป็นคนดูมันมาแต่งตัวใจเป็นคนดูนะมันออกจากบ้านมาขึ้นรถมาตามถนนนนะ <trata> เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอย่างนี้เรียกว่ารู้สึกร่างกาย หรือตื่นนอนมานะวันจันใจแห้งแรงรู้ว่าใจแห้งแรงเนี่ยจิตใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ไวนะ้การที่เราคอยรู้ไว้นะเราจะเห็นว่าจิตใจของเราทั้งวันเนี่ยไม่เหมือนกันนะวันแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะในวันเดียวกันเนี้ยเช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่เหมือนกันบางวันตอนเช้าก็สดชื่นใช่ตอนสายทะเลาะ ก, กับนาย หงุดหงิด ต, ตอนกลางวันนัดกินข้าวกับเพื่อนดีด้าลืมโมโ ห, หนายตอนบ่ายง่วงขี้เกียจไม่อยากเจอนายด้วยนะขี้เกียจเข้าทํางานช้าหน่อยอะไรเงี้ยนะตอนเย็นก็ดีใจจะได้กลับบ้านเนใจของเราเปลี่ยนทั้งวันนะเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายในวันเดียวกันนี้ใจเราเปลี่ยนสารพัดจะเปลี่ยนเลยให้คอยรู้เอาไว้บ้างถ้าเราคอยรู้ทันนะร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดู จิตใจของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราคอยรู้ทานใจเราเป็นคนดูไม่นานเราก็จะเห็นความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นวัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่จิตไปเห็นมันเข้าความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเป็นสิ่งที่ผ่านมาชั่วครั้งชั่วคราวความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปโรคหลดหลง ฟุ้งซ่างหดหูอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปการที่เราคอยรู้คอยดูนะความจริงในกายในใจเราเห็นแต่ของไม่เที่ยงเราเห็นแต่ของที่ทนอยู่ไม่ได้เราเห็นแต่ของที่บังคับไม่ได้อย่างร่างกายเรานะมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยนะเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายสารพัดเลยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ง่วงอะไรเงี้ยนะความทุกข์มันบีบคั้น จิตใจของเราเนี่ยตเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายใช่ไหมร่างกายเนี่ยเราดูทุกข์ขังง่ายนะร่างกายเรามีความทุกข์มากนั่งอยู่นานๆก็ทุกข์ละหายใจออกลองหายใจออกซิอย่าหายใจเข้าแล้วรู้ซิว่าทุกข์ไหมใช่ไหมหายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์ใช่ไหมเราต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์หายใจเข้าเรื่อยๆแล้วก็ทุกข์อีกแล้วเราก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์ ยังร่างกายเราถูกความทุกบบข์บีบคั้นนะอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเราไม่เคยเห็นอนะ่ะอยู่กับร่างกายนี้มาตั้งแต่เกิดนะแต่ไม่เคยรู้สึกเลยว่ า, าร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจก็เพื่อแก้ทุกข์นะเปลี่ยนอิริยาบถก็เพื่อแก้ทุกข์นะเราเปลี่ยนอิริยาบถอัตโนมัตินะเมื่อยขึ้นมาเราก็ขยับไปแล้วนะเราไม่ทันรู้เลยว่าร่างกายทุกข์นะแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนอิริยาบถเราคอยรู้หน่อยนะสังเกตลงมาในร่างกายมันมีความทุกข์บีบคั้นนะเลยต้องเปลี่ยนอ คอยดูเรื่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจเห็นในร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์พอเปลี่ยนอิริยาบถนั้นรู้สึกว่าสบายนะสบายแป๊บเดียวทุกข์อีกแล้วนะความทุกข์ตามมาอีกแล้วน่อยดูเรื่อยๆต่อไปก็จะรู้เลยยืนเดินนั่งนอนทุกข์ทั้งนั้นเลยหายใจออกหายใจเข้าทุกข์ทั้งนั้นเลยนี่เรียกว่ามีปัญญาพอเห็นร่างกายเป็นแต่ตัวทุกข์ต่อไปร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายเราจะไม่หวั่นไหวเพราะตัวทุกข์มันแก่ตัวทุกข์มันเจ็บตัวทุกข์มันตายตายได้้้ก็สมมนนนนําาหัะ ไม่หวั่นไหวซะด้วยซ้ำไปมาดูจิตใจจิตใจเนี่ยดูความทุกข์ยากดูจิตใจให้ดูของไม่เที่ยงความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวกุศลก็อยู่ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็อยู่ชั่วคราวมีแต่ของชั่วคราวในใจเราเนี่ยดูลงไปเรื่อยการที่มีแล้วไม่มีนี่แหละเรียกว่าอนิจจงนะแล้วก็บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ยังไงสั่งให้สุขก็ไม่ได้ ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นะพอสุขขึ้นแล้วสั่งว่าความสุขอย่าหายไปมันก็หายความทุกข์สั่งว่าอย่าเกิดมันก็เกิดเกิดแล้วสั่งให้หายไปเร็วๆมันก็ไม่หายนะสั่งว่าอย่ากโกรธมันก็โกรธใครเคยตั้งใจว่าจะไม่โกรธไหมมีมั้มแล้วโกรธไหมโกรธใครเคยอกหักมากมีไหมมีโมก็เก่งมากกล้าหาญนะที่เหลือเนี่ยเป็นโสดหรือไง ไม่เคยรักใครเลยัไงเวลาอกหักนะมันจะคิดนะคิดซ้ำคิดซากอยู่นะเเพื่อนก็ชอบมาปลอบอย่าไปคิดสิเธออย่าไปคิดสิเธอเนีย่ยพูดแบบไม่รู้จักธรรมะจิตเป็นอนัตตาโวยอย่างเงี้ยนะยังไงจิตจะคิดนะห้ามมันไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเราเฝ้าดูเราจะเห็นเลยจิตี่เป็นของบังคับไม่ได้สร้างให้สุขมันก็ไม่ได้นะ ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้บอกอย่าไปคิดยิ่งขยันคิดนะเรื่องนี้จำไว้นะอย่าลืมนะแปบ๊บเดียวลืมไปละเคยหมยเค ย, ยนายสั่งเรื่องนี้ไว้อย่าลืมนะนายนายไปปุ๊บลืมไปละนจความจำนะก็สั่งมันไม่ได้หนมะใจเราเนี่ยเป็นของที่บังคับไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจของเรานี่เรียกว่าอนัตตา การที่เราเห็นร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเห็นจิตใจนะไม่เที่ยงนะแล้วก็บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เป็นอนัตตาถ้าเราเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้าเราจะรู้เลยไก่นี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกไก่นี้เป็นก้อนทุกข์จิตใจก็ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษนะกระทั่งความสุขที่ทุกคนสแสวงหาก็เป็นของที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้เพราะความสุขเป็นของชั่วคราวความดีที่เราอยากจะดีอยากจะดีก็ดีชั่วคราวนะ ความชั่วก็ชั่วชั่วคราวอีกนไม่มีอะไรที่ถาวรเลยนะเฝ้ารู้ลงไปแล้วในที่สุดเราจะรู้ว่าชีวิตของเราเป็นของชั่วคราวถ้าใจเรายอมรับความจริงได้นะว่าทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในชีวิตรเราเนี่ยเป็นของชั่วคราดกระทั่งร่างกายเราก็ชั่วคราวจิตใจของเราก็เป็นของชั่วคราวต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในกายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในใจเราจะไม่หวั่นไหวร่างกายจะแก่เป็นเรื่องธรรมดาร่างกายเป็นของชั่วคราวร่างกายจะเจ็บ ว่าเป็นธรรมดาเพราะว่าร่างกายเป็นของชั่วคราวร่างกายจะตายว่าเป็นธรรมดาร่างกายเป็นของชั่วคราวความสุขจะเกิดขึ้นนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะความสุขจะหายไปก็เป็นเรื่องธรรมดานะความสุขอมะตะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นนะเราก็ไม่ทุรนทุรายเพราะเรารู้ว่ามันก็ของชั่วคราวอย่างบางคนทุกข์มากนะเดินปัญญาไม่เป็นทำวิปัสสนายัางไม่เป็นหลวงพ่อสอนให้ท่องคาถาเลยเวลามีความทุกข์มากๆท่องคาถาไว้เลยนะบเดี๋ยวมันก็ผ่านไป มีแม้ความทุกข์ที่ไม่ผ่านไม่มีหรอกนะเนี่คยค่อยๆสอนใจนะพาใจให้เห็นความจริงของกายพาจิตใจให้เห็นความจริงของจิตใจไปด้วยในที่สุดมันก็รู้ความจริงของกายของใจว่ากายนี้ใจนี้ไหนเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกนี่เรียกว่ารู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์ได้มันจะปล่อยวางนะมันจะไม่ยึดไม่ถือถ้าเราเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยความอยากคือตัวสมมูทัยจะไม่เกิดขึ้น ความอยากมันก็แค่อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ถ้ามันเห็นความจริงว่ากายกระใจเป็นตัวทุกข์แล้วนะความอยากให้มันเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นความอยากให้มันพ้นทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นมันจะหอยากให้พนรร้นทําไมมันเป็นตัวทุกข์มันพ้นไปไม่ได้หรอกถ้าใจเห็นความจริงตรงนี้นะใจจะหมดความยึดถือในร่างกายในจิตใจในธาตุในขันนี้แหละนะความอยากจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์แก่แจ้งนะจะละสมุทัยอัตโนมัติเลยนะ แะในขณะที่ล่าสมุทยัยล่าความอยากได้เด็ดขาดเนะีเราจะเห็นพระนิพพานในขณะนั้นรู้ทุกข์รู้ทุกข์เมื่อไหร่นะก็ล่าสมุทัยเมื่อนั้นล่าสมุทยมัยเมื่อไหร่ก็เห็นแจ้งนิโรธเมื่อนั้นในขณะที่รู้ทุกข์ล่าสมุทยัยเห็นแจ้งนิโรธขณะนั้นแหะคืออริยมรรคงั้นทุกขสมุทยัยนิโรธมรรคนะเราทํางานเสร็จในขณะเดียวกันนะในพริบตาเดียวเองนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นของอัศจรรย์คนไม่มีบุญไม่ได้ฟังหรอก ย่า่ได้ฟังแต่เรื่องเอาทำทานถือศีนั่งสมาธิทําใจให้สงบไอ้นั่นมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อรู้อย่างหนึ่งนะพระหลวงพ่อเวลาเทศเนี่ยฟังยากนิดหนึ่งเพราะพวกเราไม่ค่อยได้ยินธรรมะแบบนี้หลวงพ่อก็มีซีดีมาให้นะไม่ได้เอามาขายนะมาแจกนะเมื่อได้แล้วนะขอร้องอย่างเดียวลองฟังดูไม่ใช่ฟังเพื่อหลวงพ่อนะฟังเพื่อให้โอกาสกับชีวิตของเราเองดู ถ้าเราภาวนาเป็นเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกเข้าใจหลักของการเจริญสติเจริญปัญญาแล้วเนะี่ยความทุกข์จะตกหายต่อหน้าต่อ ต, อตาเลยความทุกข์ซึ่งเราเห็นว่าชีวิตนี้ไม่มีทางออกจากความทุกข์ความทุกข์จะตระเด็นออกไปจากใจเราไปเองเลยนะในเวลาสั้นๆไม่นานหรอกนะสรุปขั้นแรกสรุปนะถือศีล5ไว้ก่อนข้อที่2ฝึ ก, กจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าลืมตัวรู้สึกตัวบ่อยๆ ข้อที่สดูความจริงของกายดูความจริงของจิตใจไปร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ถ้าเราเห็นได้อย่างนี้ทําได้อย่างนี้นะไม่นานความทุกข์จะตกหายไปจากใจเรานะปีนี้จะได้สองขั้นก็รู้ว่าได้นะดีใจไหมดีใจไม่เป็นไรนะแต่ถ้าหวังว่าจะได้แล้วไม่ได้เศร้าใจรู้ว่าเศร้าใจอะไรเงี้ยนะ หรือทำงานแทบตายเลยนายด่ามีไหมใครเคยทํางานตั้งออกตั้งใจอย่างมากเลยแล้วนายด่ามีไหมใครเกลียดนายบ้างอย่ายกมือนะอย่ายกอย่ายกเดี๋ยวนายเห็นนะใครรักนายบ้างมีมอายกเข้าอายกเข้านะเนี่ยคอยดูนะไปดูของเราไปดูความรู้สึกของเราไปอย่าหลอกตัวเองดูของจริงนะในสุดปัญญามันก็เกิดรู้หรอกทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุก ตุวอย่างบังคับไม่ได้ความยึดถือก็หมดเมื่อหมดความยึดถือความทุกข์ก็ไม่มีนะแค่นี้เองง่ายๆแต่ต้องฝึกเอานะไปฟัง CD ฟัง CD บ่อยๆนะฟังแล้วฟังอีกจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วเราจะรู้ความจริงอย่างหนึ่งว่าตลอดชีวิตของเราที่ผ่านมานี้ไม่เคยตื่นเลยเราตื่นแต่ร่างกายใจของเราหลับตลอดเลไปฟัง CD แล้วจะรู้นะ ในนี้มีคนหนึ่งที่หลวงพ่อเห็นว่าตื่นขึ้นมาคุณที่นั่งข้างหน้านี้เอาละเท่านี้ก็พอนะที่เหลือไปฟังซีดียวเองมีใครจะคุยกับหลวงพ่อไหมไม่มีก็จะแยกย้ายกันไปขอกราบเรียนถามพระอาจารย์นะครับการทำบุญเช่นไรนะครับการทำบุญนะครับเช่นใส่ซองกระถินพระป่าหยอดตู้บริจาคใส่บาทพระ เป็นการทำบุญที่ได้ผลอย่างไรแล้วต้องทำบุญอย่างไรจึงจะได้ผลบุญสูงสุดครับบุญใดประกอบด้วยสติบุญใดประกอบด้วยปัญญานะนี่เป็นบุญที่สูงนะอย่างถ้าเราทำทานเนี่ยพระเจ้าเคยแสดงไว้มีสูตรอยู่นะหลวพ่อจำรายละเอียดไม่ได้ท่านบอกถ้าทำทานแล้วก็หวังว่าจะได้โน่นได้นี่นะได้บุญระดับล่างๆเลยได้เหมือนกันแต่ได้ไม่มากเพราะมันเจือด้วยความโลภถ้าทำเพราะว่าเห็นว่าสมมนาชีพรามเนี่ย ไม่ได้หากินเองจําเป็นต้องช่วยเหลือทําด้วยใจรู้สึกอยากช่วยเหลือได้บุญมากขึ้นหน่อยนะได้ขึ้นเป็นลําดับไปหรือเห็นว่าเป็นประเพณีเคยทํามาไม่ได้ทําเพราะเห็นแค่ได้ว่าอยากจะได้นโน่นไดนนะ้นี่ก็ได้บุญเยอะมากแต่ถ้าจะได้บุญสูงสุดนะต้องประกอบด้วยสติปัญญาจะทําบุญแล้วเราเห็นนะกิเลสของเรามีกิเลสเราเสียดายนะหรือไม่ต้องใส่ซองอะไรนะแค่จะลุกขึ้นใส่บาตรตอนเช้าเนี่ย หน้าหนาวเนี่ยนะจะได้บุญแรงกว่าหน้าร้อนนะลองไปดูสิเพราะอะไรต้องสู้กิเลสมากนะใช่ไหมต้องฝืนใจไม่ยอมตามตามกิเลสนะต้องเข้มแข็งมันคือการฝึกให้ใจเข้มแข็งส่วนการทำทานเนะั่ฝึกเสียสละนะรู้จักให้คนที่รู้จักให้จะมีความสุขนะคนที่อยากได้ไม่มีความสุขนะเราะั้นถ้าบุญใดประกอบด้วยสติด้วยปัญญาจะเป็นบุญใหญ่ บุญใดไม่ประกอบเรื่สติปัญญานะมาทําไปเพื่อกิเลสเพื่ออะไรต่ออะไร<ม>เป็นบุญเล็กๆน้อยๆหลวครับคํามีแปลกนะเนี่ยเพิ่งจะมีที่เนี่ยถามอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการภาวนาปกติไม่มีใครกล้าถามหลวงพอ่อหรอครับฉะนั้นถ้าเกิดอธิษฐานเกินวงเงินนี้จะได้บุญน้อยลงไปอีกนะครับมีน่ะประเภทใส่บาทนะขอให้ได้มรรคผลนิพพานโง่สิ ใส่บาตรอะไรได้มากผลนิพพานเรต้องมีศีลสมาธิปัญญาให้ครบนะถึงจะได้มากผลใส่บาตรแล้วก็นอนขี้เกียจทั้งวันนะหรือใส่บาตรเสร็แลว้วไปโกงเขาตลอดเวลานีไม่ได้อะไรมีตอหลวงพ่อบวนใหม่ๆนะอยู่เมืองการไปบินท บ, บาทมีวันหนึ่งนะมีแม่ค้าเข้ามาใส่บาตรบอกว่าดิฉันเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยมากขอเอาทุกโศกโรคภัยใส่บาตรหลวงพ่อ แล้วฟังฮะมันไม่เอาของดีใส่นะนเอาทุกโศโรคภัยมาใส่อีกวันหนึ่งหลวงพ่อป่วยนะยัยนี่หายหลวงพ่อก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยตอนนั้นยังไม่บวชกูบ้อาเนี่ยไปบอกโยมทีนะว่าหลวงพ่ออาพาธแล้ว ไ, ได้ไปบิดาบาดแกอุทานด้วยความตกใจนะฮะพระก็ป่วยเป็นเหรอออดูสิวิชาทิฏฐิักขนาดครับพระอาจารย์ครับคาถามที่สองครับ การโกรธเคียดแค้น <c anned> ว่าร้ายไม่ยอมให้อภัยคนใช้วาจาเชื้อเฉื่อเฉจสีต้องการให้เขารู้สึกเจ็บรู้สึกเสียใจคนแบบนี้เป็นคนเช่นไรการกระทําเช่นนี้ถือเป็นการทําบาปหรือไม่แล้วเขาจะได้รับผลของกรรมนั้นอย่างไรอันนี้ไม่ต้องให้หลวงพ่อตอบหรอกคนถามก็ตอบได้เองอยู่แล้วล่ะนะอะต่ อ, ตอไปครับนั่นเป็นคําถามที่สามนะครับการเอ็นทาว่าร้ายคนที่มีคุณธรรมสูงกว่าบาปไหมแล้วเราจะใครก็บาปทั้งนั้นแหละ นะแล้วเราจะได้รับผลการกระทำนั้นอย่างไรแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขามีคุณธรรมสูงกว่าเราคือเราไม่รู้หรอกนะ้เราไม่ได้ภาวนาจริงจังนะคนที่ภาวนาณนะกระทั่งดูคนที่สูงกว่ายังดูไม่ออกเลยนะอย่างผ้านาคาเนี่ยจะไปวัดภูมิธรรมพ้ารหันเนี่ยวัดไม่ออกหรอกนะเพราะงั้นเพื่อความปลอดภัยก็จะไปนินทาว่าร้ายใครซะก็หมดเรื่องนะ ถึงจะนินทาว่าร้ายใครก็บาปทางนั้นแหละทำไปด้วยโทสะนะสิ่งที่ได้มาอันแรกเลยก็คือความน่าเชื่อถือของเราลดลงทันทีเลยเราเป็นนินทาคนคนหนึ่งนะกับเพื่อนเราเพื่อนเราเขาก็รู้แล้วว่าเรามีใส่ชอบนินทาเขาก็ต้องเราแวงนะว่ารับหลังเขาอะเราคงนินทาเขาเหมือนกันซึ่งก็จริงอีกนั้นแหละถ้าคนมันชอบนินทานะมันก็นินทาแหลกนะงั้นอันแรกเลยเสียเครดิตลนะ ความน่าเชื่อถือไม่มีเพราะว่ามูสาวาดการดินทาว่าร้ายเขาส่อเสียดเขามูสาวาดนะก็ะทําให้ความน่าเชื่อถือทางวาจาของเราเสียหายไปนะอาจารย์ครับอีกคําถามนึ่งแล้วกันนะครับเอ่อถ้าเกิดเราปฏิบัติเนี่ยนะครับจําเป็นไหมครับว่าเราต้องได้สมถะกรรมฐานก่อนถึงจะปฏิบัติวิวปัตสสนากรรมฐานนะครับโอ้นี่ถามดีค่อยถามเข้าเขาหน่อยนะเกียปฏิบัติ พรอนนท์รู้จักไหมครับรู้จักด้วยเหรอหลวงพ่อยังเกิดไม่ทันเลยเคยได้เรียนนิดหน่อยครับพระนนสอนไว้นะอยู่ในพระสูตรอหนึ่งชื่อยุคครนัตถสูตรบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยมีหลายแบบใช้สมาธินําปัญญามีแบบที่หนึ่งใช้ปัญญานําสมาธิมีแบบที่สองใช้สมาธิและปัญญาควบกันมีแบบที่สาม การปฏิบัติมีหลายอย่างนะงั้นจะมาสรุปว่าต้องทําสมาธิก่อนถึงจะเดินปัญญาอันนี้เข้าใจผิดสมาธิที่ถามกันส่วนใหญ่มันคือสมาธิชนิดที่1ต้องเข้าฌานให้ได้อะไรเนี้ยส่วนใหญ่จะเพ่งอารมณ์นะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเจริญวิปัสสนาซะด้วยซ้ำไปต้องทําสมาธิที่ถูกต้องคือสมาธิอย่างที่สองให้ได้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเข้าฌาน1 2 3 4 5สองสา้าหกไดนะ้แล้วก็ ออกจากฌานมาแล้วจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่เนี่ยน้อมจิตอันนี้นะมาดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายนะถ้าเข้าสมาธิลึกเนี่ยต้องดูกายดูจิตไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการดูกายหรือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะกับพวกสมถะญาณิกเหมาะกับพวกเล่นฌานนะถ้าดูจิตไม่ได้เพราะว่าออกจากฌานมาจิตยังนิ่งนิ่งนานเลยนะนิ่งเป็นวันๆเลยแต่ว่าไม่เกินเจวันก็จะเคลื่อนอีก ต้องไปตั้งสมาธิอีกการปฏิบัติอย่างที่2นะใช้ปัญญานําสมาธิอาศัยสตินี่แหละรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นสมาธิต้องมีนะแต่เป็นสมาธิที่แค่จิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวเท่านั้นเองก็ เ, เรียกว่าคณิกาสมาธิอาศัยการเจริญปัญญาเรื่อยไปนะถึงจุดหนึ่งเนะี่ยขณะที่อริยมรรคจเกิดจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิเองเข้าเองเลยนะ เรียกว่าปัญญานำสมาธิส่วนที่จะใช้สมาธิและปัญญาควบกันนีต้องมีคุณสมบัติ2 อ, อย่าง 1. เข้าสมาธิได้จนเป็นวัตถสีชํานาญในการเข้าชํานาญในการทรงอยู่ชํานาญในการออกนะก็ชํานาญในการเจริญปัญญาในสมาธิอันที่2องอันแรกนะต้องชํานาญในการทําสมาธิจนเป็นวัตถี4ประการเนี่ยอันที่2จะต้องเก่งในเรื่องดูจิตถ้าเก่งเรื่องดูกาย จะเจริญปัญญาในสมาธิไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าเริ่มไปคิดเรื่องกายนะจิตจะถอดออกจากสมาธิทันทีเลยการที่เดินปัญญาในสมาธิเนี่ยเราจะดูความเกิดดับขององค์ฌานนิ่สมาธิมีสามันคณิกาสมาธิอันนี้เดินปัญญาอยู่ข้างนอกนี่เองและสมาธิลึกอัปนาเนี่ยเกิดทีหลังสมาธิระดับที่2อเนี่ยอุปจารสมาธิเวลาเดินปัญญาในอุปจาระเนี่ยนะเราจะเห็นความไหวของจิต จิตจะไหวตัวนะไหวพลิ้วพลิขึ้นมานะตรงเนี้ยที่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงตามหาบวชสอนนะบอกการภาวนานะพอถึงขั้นละเอียดนะเหลือแต่ยิบยๆยิบ ย, บยบนิดเดียวมันไหวยิบยับนิดเดียวอันนั้นพวกเนี้ยดูอยู่ในอุปจารสมาธิจะเห็นจิตมันไหวยิบยๆยิบ ย, บยบัถ้าพวกที่เดินปัญญาในอัปตนาสมาธินะจะเห็นความเกิดดับขององค์ฉันลูกศิษย์หลวงพ่อที่ทําตัวนี้ได้มีอยู่สองสาคนเองจากคนเป็นหมื่นเป็นแสนนะนะ เพราะว่ามันจะต้องชำนาญทั้งฌ า, านชานาญทั้งการดูจิตนะถ้าชำนาญเข้าฌานอย่างเดียวนะแต่ว่าไม่ชำนาญในการรู้ทันจิตเนะี่ยไปเดินปัญญาในสมาธิไม่ได้งนั้นทางเลือกมีตั้ง3ทางนะถ้าถ้าทำสมาธินำปัญญาก็ทำสมาธิให้จิตเป็น1ก่อนสมาธิที่จะทำให้จิตเป็น1 น, นะไม่ใช่สมาธิอย่างที่ฝึกกันหลอก สมาธิอย่างที่จิตเป็นหนึ่งยกตัวอย่างถ้าเราทําอานาภาณสติรู้ลมหายใจเราจะหายใจไปสบายๆนะเมื่อกี้ตอนก่อนจะเข้ามาเห็นเปิดเพลงลมหายใจเข้าลมหายใจออกในพระสูตนะลมหายใจออกลมหายใจเข้านะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวพวกเราลองหายใจเข้าแล้วรู้สึกตัวซิลองสิ อ, อ่แล้วพอ เลิกหายใจหยุดก่อนลืมเรื่องปฏิบัติไปเราหายใจออกที่แล้วรู้สึกตัวสังเกตไหมใจไม่เหมือนกันถ้าหายใจเข้ารู้สึกตัวนะจะแน่นๆหายใจออกแล้วรู้สึกตัวนะจะผ่อนคลา ย, ยางั้นเคล็ดลับของการทําสมาธินะต้องผ่อนคลายหายใจออกมีลมอยู่ในปอดนิดหน่อยก็ออกนิดหน่อยไม่ต้องออกจนตัวแฟบไปนะออกเท่าที่มีลมอยู่หายใจออกไปก่อนแล้วตอนที่หายใจเข้าเนี่ยอย่าไปบีบจิตเข้ามา นะเราก็หายใจไปด้วยความรู้สึกตัวที่สบายโปร่งโล่งเบาถ้าเราหายใจด้วยความรู้สึกสุขนะจิตจะสงบอย่างรวดเร็วเลยนี่เป็นเคล็ดลับนะไม่รักกันจริงไม่บอกหรอกว่าจะได้เคล็ดลับตัวนี้ฝึกสมาธิแทบตายเลยนะเราลองหายใจนะเราหายใจด้วยความรู้สึกตัวไปนี่พอเราหายใจต่อไปเนี่ยมันจะรู้สึกสว่างขึ้นมานะจะสว่างขึ้นที่หน้าเราเนี่ยที่นะ แสสว่างแล้วลมหายใจจะค่อยละเอียดละเอียดละเอียดเข้าไปจนกระทั่งเราลืมลมหายใจไปตอนที่จิตลืมลมหายใจเนี้ยลมหายใจเหลือเหลือน้อยการเผาผลาญใช้พลังงานในร่างกายจะลดลงไปเยอะเลยจิตจะไปอยู่ที่แสงสว่างตรงที่เรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอะไรอยู่เนี้ยตัวลมหายใจนะเรียกว่าบริกรรมนิมิตตรงที่มันแปลสภาพเป็นแสงสว่างแล้วเนี้ยต่อไปนะั้นเราจะเล่นกับแสงได้ นะกำหนดแสงให้สว่างกว้างกว้างกว้างออกไปก็ได้นะจะย่อลงมาให้เล็กเท่าปลายเข็มก็ได้นะยอด่อนะขยายได้ย่อดไดนะ้ตรงนี้ได้เรียกว่าอุปจาระสมาธิอย่นที่พวกเรานั่งแล้วเคลิมๆบอกได้อุปจาระไม่ใช่หรอกไม่ใช่อุปจาระหรอกอุปจาระได้ปฏิภาคนะระดับปฏิภาคนิมิตแล้วจากปฏิภาคนิมิตเนี่ยเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมานะจิตเป็นหนึ่งขึ้นมาจิตเข้าฌานตรงนี้ ยังได้สมาธิที่ไม่พอในปฐมฌานเนี่ยยังไม่พอนะถ้ามีสติรู้ทันว่าจิตเนี่ยเคลื่อนไปอยู่ที่แสงสว่างจิตไปตรึกอยู่ที่แสงสว่างจิตไปเข้าเคลียร์อยู่ที่แสงสว่างตรงที่จิตเคลื่อนไปจับอยู่ที่แสงสว่างเรียกว่าวิตตกตรงที่จิตเข้าเคลียร์อยู่ที่แสงสว่างเรียกว่าวิจารณ์จิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่แสง ทันทีที่สติะระลึกรู้ว่าจิตเคลื่อนไปที่แสงเนี่ยการเคลื่อนจะดับอัตโนมัตินะจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะงั้นในชา้นที่2เนี่ยเราจะได้ตัวผู้รู้ขึ้นมานตัวผู้รู้เนี่ยถ้าเข้าไปถึงชา้นสี่เป็นตัวผู้รู้กับอุเบกขาแต่ถ้าได้ตั้งแต่ชา้นที่2แล้วออกมาข้างนอกเนี่ยตัวผู้รู้เนี่ยจะเด่นดวงอยู่แต่ว่าไม่เกิน7วันนะจะเสื่อมถ้าตรงเนี้ยได้ตัวรู้แล้วเนี่ยก็ามาเดินปัญญาดูกายมันทํางานไปถ้าเราเข้าสมาธิลึก ต้องดูกายนะถ้าสมาธิไม่ลึกมากเนี่ยจิตใจยังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราเจริญปัญญาด้วยการดูจิตดูใจได้นั่นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะกรรมฐานที่ท่านสอนไว้ถึงหลากหลายมากเลยถ้าทําชาญได้อย่าถึงชาญที่2อเนี่ยออกมานะเจริญปัญญาเนี่ยถ้ายิ่งชาญสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะออกมาควรจะดูกายถ้าเราทําชาญไม่ได้เราเป็นคนธรรมดาอย่างเนี้ย นะจเจริญปัญญาไปเลยนะดูความจริงตื่นนอนขึ้นมาก็รู้เลยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็เห็นว่ามีความสุขมีความทุกข์มี ก, ก, กุศลอกุศลนะเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนี่จเจริญปัญญาไปเลยแล้วสมาธิจะเกิดเองนะหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดุลบอกว่าหลบจิตหลวงพ่อเข้าสมาธินี่ตอนหนึ่งนะในรายงานการปฏิบัติหลวงพ่อบอกท่านว่าหลวงพ่อไม่ได้ทําสมาธินะหลวงพ่อดูจิตท่านบอกว่าดูจิตนั้นได้สมาธิอัตโนมัตินะ อยู่ที่เราฝึกนะถ้าดูจิตก็ไม่ต้องทําสมาธิลึกถ้าจะดูกายต้องทำสมาธิให้เยอะหน่อยนะแต่ถ้าจะเดินปัญญาในสมาธิต้องดูจิตนะโอ้มีหลากหลายนะสนุกมากเลยถ้าอยากเรียนให้เจ๋งๆนะต้องใจกล้าๆเลยนะถ้าเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่ อ, พอทั้งโขกทั้งศัพท์นะ <laughs> ประเภท รักนวนสงวนหน้านะเรียนยากนะเรียนอัูหลวงพ่อต้องไม่กลัวเจ็บอ่ะแต่และวันแต่และเดือนนะฆ่าภาริยาไปเยอะมากเลยบัดรู้พระนวนพระนีมานะโถพระอะไรวะสติยังไม่มีเลยเนาะต้องใจถึงถึงนะ <c oughs> แย่ไหมไม่ครับท่านมีเกยียรติท่านใดมีคำถามที่จะถามเพิ่มเติมไหมครับ เผื่อยังมีข้อสงสัยอาจจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ได้นะครับเผื่อจะได้นํากลับไปทําที่บ้านไม่ถามหลวงพ่อถามนะสังเกตไหมตอนที่คุลโคศกเขาพูดเราไปมองเขาใช่ไหมสังเกตไหมขนาดนั้นเราเห็นเขาแต่เราลืมตัวเราเองนึกออกไหมนี่แหละขาดสติละแค่นี้แหละขาดสติแล้วมีร่างกายร่างกายก็หายไปจากความรู้สึก มีจิตใจก็หายไปเห็นแต่คุณโขศกว่าแกหลอดีอะไรเงี้นะใจไปอยู่ที่เขาเน่ยใจเราลืมตัวเองถ้าเมื่อไร่ลืมกายเมื่อไร่ลืมใจนะขาดสติแล้วนะไม่สามารถเจริญปัญญาได้เพราะอะไรเพราะการเจริญปัญญานั้นคือการเห็นความจริงของกายของใจวิปัสนาแปลว่าเห็นนะวิปัสนาไม่ได้แปลว่าคิดคิดมันวิตกนะถ้าวิปัสนาปัสนะว่าการเห็นวิมาแจ้งเห็นแจ้งให้เห็นจริงเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนั่นเอง งั้นถ้าเมื่ อ, อไร่เราจ ะ, จะเจริญวิปัสสนาแต่เราลืมกายลืมใจเราจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ได้เพราะกายกับใจหายไปแล้วนะงั้นความรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจถือเป็นจุดตั้งต้นถ้ารู้สึกกายรู้สึกใจไม่ได้ก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ได้ถ้าเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ได้ก็จะไม่ปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจถ้าปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้นะงั้นต้องรู้สึกตัวนะ ใจลอยหมดห้องอีกแล้วกลับมารู้สึกตัวพนะอหยุดพูดปุ๊บหนีไปคิดเลยรู้สึกไหมใจไหลไปคิดัไปเลยใครรู้สึกตัวนะวันนี้ถ้ามาฟังหลวงพ่อนะวันนี้ได้คาว่ารู้สึกตัวไปทำตัวนี้ได้เนี่ยก็คือก้าวกระโดดครั้งสาคัญในชีวิตของการปฏิบัติแล้วถ้ายัางรู้สึกตัวไม่เป็นนะอีกไกลนะทำบุญทำทานไปเถอะนะรอพระสีอาลยะเมตรมาตรัส พอเราไม่เคยฝึกรู้สึกตัวไปเจอพระเีรยระยะเมตรัยมันก็รู้สึกไม่เป็นเองนะก็ทําทบุญป่อต่อไปไปเจอพระพระพระุทธเจ้าองค์ต่อไปอีกนะไม่ได้อะไรสักทีหนึ่งหานรู้สึกตัวให้ได้นะใจหนีไปเรารู้ใจหนีเรารู้ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้พอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานเหมือนเห็นคนอื่นใจมันโกรธเราเห็นเหมือนคนอื่นโกรธเราเป็นคนดูใจมันโลบเห็นเหมือนคนอื่นรอบเราเป็นคนดูฝึกไปเรื่อยๆ ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเหมือนเห็นคนอื่นไปด้วยนะใจค่อยๆดูนะมันจะค่อยๆถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมี ต, มตนได้นะมันจะได้ทับมาเป็นลำดับลาดับไปจบแล้วหล่ะไม่มีใครถามต้องพ่อเลยถามเสเองเมื่อกี้นะขอญาตพระอาจารย์ครับมีคำถามมาครับเออมีเพิ่มเหรอครับคำถามแรกนะครับดูจิตกับวิ ญ, ญญาณต่างกันอย่างไรน ะ, ะแล้วก็ เดี๋ยวเอาทีละอันเดี๋ยวเราพักดูจิตกับวิญญาณต่างกันอย่างไรครับจิตนะจิตกับวิญญาณเป็นอันเดียวกันเลยจิตมโนวิญญาณนะพระเจ้าบอกคำว่าจิตคำว่ามโนมโนคือใจนะกับวิญญาณเนี่ยท่านบอกว่าเป็นไวยพจน์กันไวยพจน์หมายถึงเป็นคาที่ใช้แทนกันได้แต่ว่าในทางทฤษฎีในทางปริยัติเนี่ยเราใช้กันคนละที่จิตใจเนี่ยเรามักจะพูดถึงตัวธรรมชาติที่รู้อารมณ์เป็นตัวกว้างๆเลยนะ ถ้าตัวใจเนี่ยเป็นตัวที่รับรู้ธรรมอารมณ์ความรู้สึกทางใจจะรู้ด้วยใจนะตัวบิน ญ, ญาณเนี่ยเป็นความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะีนะ่ยมันใช้มันก็คือตัวความรับรู้ด้วยกันแหละแต่ว่าใช้ในที่ต่างกันก็เรียกชื่อต่างกันตอนนั้นเองแหละครับคําถามที่สองครับการบําเพ็ญควรจะทําอย่างควรจะทําอะไรเป็นที่ตั้งครับบําเพ็ญอะไรการบําเพ็ญ บำเพ็ญอะไรต้องถามก่อนคนถามภาวนาใช่ไหมครับเวลานั่ง ส, ส ม, สมถาหรือวิปัสนาอโอ้มีสตินะมีสติไหมครูบาอาจารย์สอนมาว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อส่วนที่ตั้งของสติพระพุทธเจ้าสอนไปแล้วคือสติปัฏฐานง่านยะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยท่านตอบไว้แล้ ว, ลวที่ตั้งของสติ ก็เอากายเวทนาจิตธรรมนี่แหละแล้วแต่เราถนัดนะอันใดก็ได้ท่านบอกว่าเหมือนประตูสีทิศนะดูกายก็บรรลุพระอรหันต์ได้นะดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้ดูธรรมารู้ปัศนาก็ได้นะเข้าใจถามนะ <c oughs> อะไรอย่าเป็นที่ตั้งก็สติปัฏฐานสิที่ตั้งดีอย่างนี้ถามช่วยย้ำความเข้าใจขยัดขยันนิดหนึ่งครับ ดูจิตมาเจดปปีแล้วครับก็ดูได้ตลอดทุกนาทีทุกวินาทีหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันเหมือนกับเป็นเกมเกมหนึ่งซึ่งพอเริ่มแล้วมันมันไม่หยุดมันหยุดไม่ได้เวลาสติอัตโนมัตินะเบรกไม่ได้ละแต่ว่าต้องเบรกสิ่งที่จะช่วยเบรกตัวนี้นะคือการทำสมถะกรรมฐาน พาจิตรวมนะจะได้พักเป็นช่วงๆไปถ้าจิตไม่ได้พักเลยมันจะตลุมบอละตะลุมบอลแล้วใจมันจะแห้งแรงไปหน่อยต้องระวังอันหนึ่งที่ว่าดูจิตดูจิตนะเราต้องไม่ไปประคองจิตให้นิ่งปล่อยให้จิตเขาทางานเราเป็นคนดูนะต้องระวังตัวนี้บ า, บางครั้งขอยัดต่อครับบางครั้งมันเกิดความคิด สรุปอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งในเรื่องของการดำรงชีวิตในปัจจุบันในการทํางานในการขึ้นรถในการเดินตามถนนคนทางอะไรต่างๆมันมันก็กลายเป็นอะไรสักอย่างความฟุ้งทางจิตความฟุ้งทางปัญญาที่อยากจะพูดอยากจะคุยอบางบางทีมันก็รู้สึกเอ๊ะเราพูดอยากพูดอยากคุยแต่คนฟังเขาอยากฟังหรือเปล่าเขาไม่รู้แต่ตัว น, นี้ต้องต้องระวัง เวลาที่เราเจริญปัญญานะไม่เฉพาะดูจิตเราถึงดูกายก็เหมือนกันมันจะมีวิปัสสนูอยู่ตัวหนึ่งอนะ่ะมันจะฟุ้งในธรรมะนะขนาดหลวงพ่อชานะตอนหลวงพ่อชาหัดใหม่ๆไปอยู่กับหลวงปู่กินารีตอนจะลาหลวงปู่กินารีออกมาท่านสั่งบอกชาอย่าเทศนะหมายถึงว่าเดี๋ยวจะฟุ้งในธรรมะนะท่านก็งงว่าที่ทำไมแม่เทศพอออกมาสักพักในใจก็จะฟุ้งในธรรมะงั้นถ้าจิตฟุ้งในธรรมะเนี่ย ก็เป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งนะให้เรารู้มีสติรู้ทันพระจิตตั้งมั่นขึ้นจริงๆจิตมีสมาธิที่ถูกต้องอย่างแท้จริงนะวิปัสสนูจะหายไปวิปัสสนูสิบอย่างเช่นบางทีก็ไปอยู่ในความว่างแสงสว่างพวกดูจิต ด, ดูจิตเนี่ยจะไปติดความว่างเยอะมากเลยซึ่งผิดนะเจอจิต ด, ด, ดูไปแล้วจิตเคลื่อนออกไปอยู่ข้างหน้าแล้วว่าสว่างว่างอยู่นั้นกีปีกีปีอยู่ตัวนี้ตลอดตัวนี้ก็เป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งชื่อโอภาสษ์นะ ถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานปุ๊บหายทันทีมิพัสโนส10ตัวเนี่ยถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานหายหมดเลยนะต้องเจอทุกคนอะ่ะถ้าทำวิปัสสนาครับพระอาจารย์ครับคงจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วครับคําถามถามว่าการทํางานแล้วคิดถึงเรื่องงานที่ทําแต่ในขณะเดียวกันเราได้ยินเสียงเพื่อนร่วมงานพูดแล้วจิตเราไปรับฟังเสียงลืมการทํางานหมายความว่าโลาขาดสติใช่หรือไม่ครับจิตรับรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะ ถ้าจิตไปไปฟังเสียงจิตก็ไม่ไปจดจ่อกอา ง, งานธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นนะตรงที่เขาคุยกันใจเราวิ่งไปที่เขาขาดสติแต่ตรงที่เราเกิดสติรู้ทันว่าจิตวิ่งไปฟังเสียงตัวนั้นมีสติขึ้นมาอีกล่ะมันเร็วมากนะระหว่างมีสติกับขาดสติเป็นขณะขณะ ข, ขไปนะถูกผิดมันชั่วพริบตาเดียวแหละใจลอยไหมรู้จักใจลอยไหมเมื่อกี้ใครใจลอยยกมือซิ ไม่มีเลยเหรอรับศีลบ้างเปล่าใจใจมันลอยทั้งวันนะไปหัดดูให้ดีนะคนที่บอกว่ารู้ตัวไม่ใจลอยอ่ะใจลอยเก่งแต่มันไม่รู้เท่านั้นเองอย่างตอนนี้รู้สึกไหมรู้เรื่องราวที่หลวงพ่อพูดไหมรู้เรื่องราวที่หลวงพ่อพูดเนี่ยต้องฟังเราคิดสังเกตไหมว่าฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวใครรู้สึกว่าฟังอย่างเดียวบ้างหรือใครรู้สึกว่าฟังไปคิดไปบ้าง ที่ฟังรู้เรื่องนะพะคิดนะไม่ใช่เพราะฟังหรอกขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยสังเกตัหมเดี๋ยวเราก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังสองประโยคนะสลับไปคิดแล้วเห็นฟังกับคิดสลับกันตลอดเคยเห็นไหมไปหัดดูซะเราทำอย่างนี้มัตั้งแต่เกิดเรายังไม่เคยเห็นเลยตอนกินข้าวกินน้ำอ่ะเราหายใจออกหรือหายใจเข้าใครกินข้าวใครเคยกินข้าวมาบ้าง ตอบได้ไหมตอนตอนกลืนข้าวเข้าไปอ่ะนะขณะที่กลืนข้าวเนี่ยหายใจเข้าหรือหายใจออกฮะหายใจออกตายแล้วดูสิคําถามเบสิกนี้ตอบไม่ได้แสดงว่าอะไรรู้ไหมไม่เคยเจริญสติรู้สึกกายเลยนะไปลองดูนะมีอะไรที่น่าเรียนมากมายเลยในความเป็นจริงเราไม่รู้จักตัวเราเองหรอก ลองดูนะลองดูมันน่าทึ่งมากเลยนั่งเก้าอี้อยู่เนี่ยเวลาจะลุกขึ้นอะ่ะขยับอะไรก่อนเดี๋ยวไปดูเอาเองนะ <laughs>